พวกเราทั้งหลายที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งการได้บรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนานี้ด้วยแล้วจัดว่าเป็นผู้มีวาสนาบารมี เป็นพิเศษไม่น้อยเหมือนกันถ้าเราเทียบกับโลกตัวทัวไปในแดนโลกธาตุนี้เพราะพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่ทำโลกให้เย็นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดความร่มเย็น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 ขั้นนันๆจนถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่หมายถึงถ้าเราหมายถึงความสงบอันลาบคาบก็ได้แก่ความสิ้นเครื่องวุ่นวายภายในจิตใจแม่น้อยไม่มีเหลืออยู่เลยนั่นแหละในขณะเดียวกันการก้าวเดิน นี่เป็นของสำคัญมากเพราะทางที่ก้าวเดินนั้นแม้จะมีทางอยู่พอเป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นถนนน้นทางอย่างเดีย่ยวโล่งก็ตามผู้ก้าวเดินมักจะถลเอถลไหลเสมอยิ่งเป็นทางพอเป็นรูปเป็นร่างนี้ด้วยแล้วก็คอยแต่จะ ก้าวออกนอกลู่นอกทางเหยียบขากเหยียบหนามหาผามตั้งแต่กองทุกข์ใส่ตัวเองเพราะการก้าวเดินไม่ถูกทางนั้นเป็นส่วนมากมีอย่างนั้นแต่เพราะอย่างยิ่งผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติตน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 เวลานี้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าในตำรับตำลานั้นไม่ขาดตกบกพร่องมีโดยสมบูรณ์ใครก็เขียนใครก็แต่งแทรกขึ้นมาไม่น้อยอีกนอกจากตำลับตำลาที่เป็นต้นฉบับเดิมแล้วแต่เราขอพูดถึงต้นฉบับเดิมคือตำลับตาลาเช่นอย่างพระไกรปิฎกซึ่งท่านแสดงไว้แล้วนั้นมีอยู่โดยสมบูรณ์ แต่ผู้ปฏิบัติที่จะก้าวเดินไปตามแถวทางที่ท่านสอนไว้ตามที่ได้ศึกษาเราเรียนมานั้นมีน้อยมากหากหยยบย่ำความถูกต้องดีงามนั่นแหละไปโดยดื้อด้านบ้างดื้อด้วยเจตนาบ้าง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 เพราะสิ่งนั้นมันติดอยู่กับใจทุกเวลาครูอาจารย์หรือการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์นั้นมีเป็นบางการบางเวลาส่วนที่แทรกสิงอยู่ภายใน จ, ใจิตใจนับแต่เป็นรากแก้วของมันออกมาเป็นกิ่งเป็นแขนงมันแทรกเต็มไปหมดภายในจิตใจนั้นมันแสดงออกได้ตลอดเวลาจึงลำบากต่อการปฏิบัติ ถาไม่ตั้งใจจริงๆต้องเป็นมีท่าต่อสู้อยู่เสมอสำหรับผู้ที่จะก้าวให้หลุดพ้นจากทุกโดยถ่ายเดียวด้วยแล้วต้องเป็นผู้ตั้งท่าตั้งทางอยู่ทุกเรียบทและทุกอาการเคลื่อนไหวของใจนั่นเน่ยจะพอกันมั้นเช่นนั้นในขั้นเริ่มแรกก็ยังต้องมีเสียเล่เสียเหลี่ยมให้มันจนได้ ยกไว้ในขั้นเบียงไกลของสติปัญญานั้นเสียในขั้นเริ่มแรกจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันพวกเรามาปฏิบัติศาสนาธรรมนี้ก็เท่ากับมาก่อนกรองน้ำอัดน้ำรมไว้สำหรับบริโภคขบฉันด้วยน้ำที่สะอาดซึ่งได้ การคลองมาจากข้อปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นสําคัญถ้าจะเทียบแล้วก็น้ําในบึงก็ดีในบ่ ก, ก็ดีในห้วยน้องคลองบึงที่ไหนมากน้อยอย่างไรก็ดีถ้าเต็มไปด้วยน้ําที่โสโปรกโสโครกแล้วเป็นอย่างไรบ้างเพียงตาเรามองเห็นก็เป็นไม่สบายแล้วอย่า พูดถึงการได้ดื่มได้อาบหรือกบฉันนั่นเลยไปที่ไหนก็มีตั้งแต่น้าสกตกโสมหมนิดเต็มโลกดินแดนแล้วเป็นอย่างไงบ้างผิด ก, กันกับน้ำที่สะอาดที่ไปเจอที่ไหนมีแต่น้ำสะอาดอยู่มากทีเดียวนั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันต่างดวงต่างเป็นเหมือนกับน้ำบึงน้ำบอ่อ ตัวของไม่สามารถที่จะรักษาน้ำนั้นไว้ได้นอกจากทาลายน้ำที่มีอยู่แล้วนั้นให้ขุ่นเป็นตมเป็นคโคลนไปเสียโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าหนึ่งจิตมีแต่ความขุ่นมัวมั่วสมอยู่กับอารมณ์อันหาสาระไม่ได้นี่เป็นการทำลายน้ำที่ควรจะใสให้เป็นน้าขุ่นเป็นตมเป็นคโคลนไปเสีย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 ให้มีความหนักแน่นแม่นยำเข้าไปโดยลําดับในข้ออัดข้อธทำและการประพฤติปฏิบัติของตนไม่ควรจะผิ ด, ผดพลาดพลาดคาขาดเคลื่อนเคลื่อนให้เห็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้เลยเพราะผู้ที่มานี้มาใหม่ก็มีอยู่เก่าก็มีความผิดพลาดนั้นมักจะมีอยู่ด้วยกันทั้งผู้มาใหม่และผู้อยู่เก่านี่ก็เป็นเครื่องสอให้เห็นถึง ควมไม่จริงจังไม่คิดอ่านแใตรองไม่มีท่าทางแห่งความเป็นผู้มีสติติดแนบอยู่ในกิริยาอาการและการกระทำนั้นๆบ้างเลยจึงทําให้วิตกวิจารณ์ในเรื่องธรรมทั้งหลายที่ละเอียดยิ่งกว่านี้และวิตกวิจารณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมทั้งหลายซึ่งยิ่งแนบสนิทติดกับใจของเรายิ่งกว่าธรรมละอีย นั่นเออแลที่จะทําให้เราเสียความมุ่งหวังเสียความตั้งใจเสียผลเสียประโยชน์ที่ตนมุ่งหวังไว้อย่างแหลงกลาให้ล้มละลายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นหมู่เพื่อนที่มาศึกษาอบรมจึงควรพิจารณาให้ดีเรื่องเหล่านี้ผมเคยแนะนําสั่งสอนและเคยได้พูดให้ฟังในปฏิปทาไม่ใช่นํามา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 หรือการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลสนี้แล้วไกลกันลิบรับประหนึ่งว่าเป็นคนน ล, ลกนั่นเลยนั่นฟังสิฮับตั้งแต่วัน9ออกปฏิบัติไม่ปรากฏว่าจะมีความสุขความสบายเพราะการปล่อยใจให้อยู่สบายสบายโดยไม่มีอะไรเข้ามายุ่แยงแข่งดีกันเลยแต่มี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 ส่งพูดง่ายง่ายให้เต็มตามความรู้สึกที่มีอยู่เต็มหัวใจนั้นว่าให้ได้ครองทำชั้นยอดเยี่ยมได้แก่อรหัตตัดรำมีความมุ่งหวังอย่างเต็มหัวใจมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรจยึงต้องหมุนไปตามตามกันนี่แหละ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 ถ้าไม่ทนรับปล่อยให้ฉันไปตามอําเภอใจร่างกายมีกําลังก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสตัณหามีราคะเป็นสาคัญให้ดิดให้ดิ้นอยู่อย่างลึกลับภายในจิตใจแม้จะไม่แสดงออกมาในอวัยวะต่างๆก็ตามก็เป็นสิ่งลําคาญและเป็นสิ่งจิตขวางจิตใจให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่นั่นแหละ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 ยุบย่อลงไปบางครั้งปนว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเงียบไปหมดเพราะอํานาจแห่งการทรมานขนาดหนักหนั ก, น ก, นกคือการอดอาหารนีน่เป็นเครื่องช่วยสติก็ดีพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวเมื่อผลเห็นอยู่คือสติก็ดีเพราะการอดอาหารปัญญาก็ดี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 ปล่อยตามอำเภอใจใกินสบายชั้นสบายนอนสบายได้อย่างไรเพราะสิ่งนี้มันเป็นภัยต่อความเพียรให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วจึงต้องได้ฝ่าได้ฝืนการฝ่าฝืนการต่อสู้ไม่ใช่เรื่องที่จะให้เกิดความสุขมีแต่เรื่องความทุกข์ทั้งนั้นทีเดียวทุกมากทุกน้อยบางครั้งเดินเข้ามาในหมู่บ้านจะไม่ถึงหมู่บ้านก็มี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 คือเป็นความอัศจรรย์ในความสว่างสวัยของใจทั้งๆ ท, ง ท, งที่ร่างกายจะก้าวไม่ออกเดินจงกรมนี้ไม่ได้กี่ตลกแหละจะก้าวไม่ออกเหนื่อยเอามากมากายกองต้องได้ยืนต้องได้นั่งแต่จิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีแต่ความสว่างสวัยเต็มอยู่ภายในหัวอกนี้พูดง่ายๆเป็นของอัศจรรย์อยู่ภายในนี่แหละ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 จุดมุ่งหมายที่เราต้องการคือความพ้นทุกเท่านั้นนั่นะทั้งๆ ท, ที่ทุนต้นทุนของเราไม่มีกี่บาทกี่สตางค์ก็ตามแต่ความมุ่งเป็นมหาเศรษฐีนั่นล้นหัวใจนี่แหละทำให้ความเพียรเป็นแบบอัศจรรย์จนกระทั่งที่ว่าลืมไม่ไดนะ้ถึงกับต้องได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าเราเป็นเช่นนั้นในิสัยของเราบางครั้งถึงจะเป็นจะตายจริงๆแต่ก็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 และเป็นเรื่อยไปอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงขั้นของสติปัญญากี่กล้าตัวออกทำงานอย่างเราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นก็ก้าออกแล้วก้าออกแล้วเป็นไปแล้วไอ้เรื่องความภาคเพียนเรื่องการอดก็ต้องอดไปอยู่อย่างนั้นเพื่อความรวดเร็วของสติปัญญา ให้ได้ทันกับเหตุการณ์และตัดขาดกันใ น, ในไม่ช้าพุดนนิ่งๆว่าอย่างนั้นเลยนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นความสุขในร่างกายนี้จะเอามาจากไหนก็มีตั้งแต่รองเรื่องความทุกข์แต่ความสุขในใจนั้นสุขถึงขั้นที่สุขแล้วสุขถึงขั้นอัศจรรย์อัศจรรย์ไปโดยลำดับลาดานี่แหละเป็นสิ่งที่ให้ดึงดูดให้ก้าวให้ไม่ให้เสียดายชีวิต ยิ่งกว่าทำที่เราหวังอยู่นั่นอย่างเต็มหัวใจมีวันหนึ่งจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้นี่เรียก ว, ว่าความหวังหวังอย่างเต็มหัวใจความเพียรจึงหมุนไปตามความหวังอันนั้นไม่มีอะไรที่คาว่าย่อหย่อนอ่อนกําลังมีแต่หมุนเหนื่ อ, อยด้วยเป็นก็เป็นตายก็ตาย ไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นนอกจากความหลุดพ้นจากทุกข์โดยแต่เดียวให้เห็นประจักษ์ภายในใจของตัวในวั น, นวันหนึ่งนี้เท่านั้นนัน่นนี่ถึงเน่เป็นความทุกข์ความลำบากมากในการประกอบความภาคเพียนจนกระทั่งเต็มสติกำลังความสามารถเอาพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าไม่สงสัยในการก้าวเดิน แห่งความเปี่ยนทั้งหลายว่าจะกล้าไปที่ไหนอีกสิ่งที่ต้องการก็ไม่สงสัยว่าจะต้องการอะไรอีกความหลุดพ้นภายในจิตใจก็ไม่ต้องการว่าจะหลุดพ้นไปเพื่ออะไรอีกเต็มหัวใจแล้วยึงเป็นเหมือนกับว่าได้ปลดปล่อยเครื่องทับสัมภาระอันเป็นแนวรบเครื่องรกออกจากตัวของตัว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 พระราหันท่านทั้งหลายมีหรือไม่มีาศาสนธรรมนี้เป็นธรรมที่ยอดที่สุดในสามเดนโยกกะถาดนี้ไม่มีอะไรเสมอก็เต็มหัวใจหาที่สงสัยไม่ได้ไเมื่อถึงขั้นที่เต็มแล้วมันเต็มอย่างไรเรื่องภบเรื่องชาติก็คือตัวของจิตตามร่องรอยเข้ามาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ตัวพยศ มันครอบหัวใจพาให้ดิ้นรนกระวนกระวายกวัดแกงต่อสู้กับอัดกับทำเรด้วยมาก็ฟัดกันไปฟัดกันมาแล้วค่อยจางไปจางไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือภายในกิตใจเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์อย่างไรไม่สงสัยพระสาวกอรหรรัตรหันท่านสงบริสุทธิ์อย่างไรไม่สงสัยหาความสงสัยไม่ได้แม้ที่สุด น, นิพพานเป็นอย่างไรไม่สงสัยทั้งๆที่อยากเต็มหัวใจในขณะบําเพ็ญแต่เมื่อถึงไปเต็มขีดเต็มแดนเต็มสติกําลังความสามารถแล้วหมดความอยากโดยประการทั้งปวงอยู่โดยหลักธรรมชาติแห่งความเป็นจริงที่เลิศเลอก็ได้หรือว่าจะที่ไม่เหมือนอะไรทั้งๆนั้นในสามแดนโลกฐานนี้ไม่มีธรรมชาตินี้ไม่ได้เหมือนอะไรทั้งนั้นก็ก็ถูกถ้าว่าอยู่ก็อยู่กัธรรมชาตินะ แค่นี้เป็นยังไงเรื่องจิตใจที่ถูกจองจําบีบบังคับอยู่ตลอดเวลามากี่กับกี่กันนับไม่ท้วนเลยตามร่องรอยของภพของชาติแห่งจิตนี้มาโดยลำดับจนกระทั่งเข้าถึงตัวอะไรเป็นตัวสําคัญเป็นสาเหตุสําคัญให้จิตนี่หมุนไม่หยุดไม่ถอยเกิดนี้ตายนั้นเกิดนั้นตายนี่ที่ไหนที่จิตดวงนี้ไม่ได้ไปเกิดไม่ปรากฏว่ามี เกิดได้ทั้งนั้นไปได้ทั้งนั้นตายได้ทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นที่เกิดที่ตายของจิต ด, ดวงนี้จิต ด, ดวงเดียวนี้แหละเพราะนานแสนหนานที่เคยเป็นมามากน้อยเท่าไรตามจนกระทั่งเข้าถึงตัวมีอะไรก็มีอันเดียวเท่านั้นที่ว่าอวิชชาปติยาสังคาลาเมื่อถอนธรรมชาติที่เป็นชื่ออันสําคัญหรือเป็นตัวเสนีย์จันลัของภพของชาติอันสําคัญออกโดยสิ้นเชิงแล้ว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 มาโดยลำดับลำดาที่เป็นผลของการปฏิบัติก็เห็นมาโดยลำดับลำดานั่นแหละที่เป็นเครื่องหนุนอยู่ตลอดเวลานี่พูดถึงเรื่องความทุกข์ทุกขนาดนั้นแหละหากเราจะนําความทุกข์ทั้งหลายในการฝึกทรมานลรือในการสังหารกิเลสต่อสู้กิเลสนี้มาเทียบมาเคียงกับการแนะนําสั่งสอนโลกทั่วไปไม่ว่าผู้หนึ่งผู้ใดก็าตามแล้ว เหมือนกับว่าเราจะสอนไม่ได้สอนไม่ลงลําบากลําบุญไม่อยากจะยุ่งเลยประหนึ่งว่ามันสุดเอื้อมผู้ที่จะปฏิบัติตามพูดแล้วเหมือนกับมาโกหกกันจะทํำยังไงก็อยู่ไปกินไปพอถึงวันแล้วจะไปเมื่อไหร่ก็ไปเถอะเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องกันกันกบจิตนี้แล้ว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 พลิกต่ลับกันความรู้นั้นรู้นี้อะไรอะไรที่เวลาทรงทา่าทรงขันยินี้มันมีตั้งแต่เรื่องของสมมุติที่เกี่ยวข้องกันอยู่ธรรมดาธรรมดายิบแยบยิบแยบนี้เหมือนกับหางกิ่งเหรนมันขาดหางกิ่งจบขาดนี้เท่านั้นเองพอหมดเห็นหมดปัจจัยแล้วมันก็ขาดสะ บ, บ้นลงไปตามสภาพเดิมของตนแล้วธรรมชาตินั้นไปคิดไปอ่านหาหลายให้เสียเวลาหมิลาก็เป็นหลัก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 เป็นอย่างนี้ตลอดไปคําว่าตลอดไปนะั้นมีกี่กับกี่กันเรานับได้ไหมนับไม่ได้เลยแล้วเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นแหละอย่างที่เป็นอยู่เวลานีน้กับที่เป็นมาแล้วมันก็เท่ากันจะเป็นไปอีกข้างหน้านานแันน่เท่าไหร่ก็กําหนดไม่ได้ถ้าไม่แก้ธรมธรมชาตินี่ถอดถอนธรรมชาตินี้ออกให้หยุดกึกลงไปเสียเท่านั้นจะหมุนตัวตลอดเวลาความหมุนตัวนั้นหมุนธรรมดาความจวย้ยหมุนไปด้วยความทุกข์ความลำบากความทร ม, มาร นี่ที่มันสําคัญมีท่านวัดจริงจึงว่าทุกขังนัติอาชาตัสะทุกทุกย่อมไม่มีแก่ผู้แม้เกิดจิตที่หมดเรื่องความเกี่ยวข้องที่เรียกว่าเกิดตายนั้นแล้วเอาอะไรไปยุ่งนะทุกจะมาจากไหนทุ ก, ก็มาจากสิ่งเกี่ยวข้องคือความเกิดในภพนั่นภพนี้นั่นแหละจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องมีอันนี้เป็นสําคัญเมื่อแก่นี้ลงไปให้สิ้นสุดแล้วปัญหาก็หมดโดยประการทั้งปวง นั่นะพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นอสาวกอ ร, าราหาันท่านเป็นอย่างนั้นจิตของท่านเป็นอย่างนั้นรู้แบบเดียวกันหมดแต่ไม่รู้แบบถ่ารู้แบบริมุทรู้แบบความรู้สึกไม่ได้รู้แบบที่เคยเป็นหมาความรู้นั้นรู้นี่ที่เจือปนไปด้ยวยพิเดตเป็นมิตรเป็นสหายตนข่าศึกัตรูอยู่ตลอดเวลาท่านไม่มี เป็นความรู้ในหลักธรรมชาติแท้ๆที่มีอยู่ในขันนี่ก็ก็รู้ว่าความรู้นี่เกี่ยวกับขันเท่านั้นอย่างนี้ยิบยับยับที่เป็นไปอยู่ยทางตาทางหูทางจูตทางลิ้นทางกา ย, ยานั้นก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของขันที่มีที่ครองตัวอยู่แต่ธรรมชาติอันหนึ่งที่นอกเหนือจากขันไปแล้วและครองตัวอยู่ในเวลาขันยังอยู่นั้นไม่ได้เหมือนอะไรนี่อันนั้นจริงเอามาเทียบกับสิ่งใดไม่ได้ เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านเป็นท่านตายในแบบใดก็าตามท่าใดก็าตามยิ่งไม่เป็นปัญหาที่เข้าไปกระทบกระเทือนกับธรรมชาตินั้นเลยนั่นผิดกันที่ตรงนั้นใครเป็นเข้าก็รู้เองไม่ต้องบอกใครเลยละเนี่ยจะเป็นหมืม่นหมื่นแสนแสนนั้นล้านองค์ก็ตามไม่มีแม้รายเดียวที่จะมาสงสัยในเรื่องความเป็นเพราะธรรมชาตินั้นเหมาะมสมทุกสิ่งทุกอย่างพอดิบพอดีแล้วสิ่งใดไม่พอดีรู้ทันทีธรรมชาตินั้นพอดิบพอดีทุกสิ่งทุกอย่างหาที่ต้องติไม่ได้แล้ว อันใดที่นอกเหนือไปจากนั้นแม่นิดหนึ่งก็รู้สันตีรู้สันติว่าไม่ใช่อันนั้นแนะมันก็เป็นไปเองตกไปเองไม่ต้องบังคับไม่ต้องสลัดเป็นตกไปเองตกเองดังที่ท่านว่าอะไรในบาหลีก็ลืมเสียว่าอ่แม่น้ําตกลงบนใบบัวย่อมกลิ้งตกไปโดยที่ว่าใบบัวก็ไม่ได้สลัดน้ําก็ไม่ตั้งใจจะซึมในใบบัว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 เป็นอะไรอีกไม่ได้แล้วจะให้เป็นแบบสมมติทั้งหลายเป็นไปนไม่ได้แล้วเพราะไม่ใช่สมมติ น, นี่พูดถึงเรื่องความเพียรเพื่อให้เป็นคติแก่มู่เพื่อนทั้งหลายที่มาพาวิตปฏิบัติยาเห็นแก่หลับแกนอนแก่อยู่แก่กินแก่ความอยากอะไรอยากเข้ามาก็คว้าอะไรอยากเข้ามาก็คว้ามันเป็นเรื่องของคนธรรมดาของ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 นี่ถ้าถ้าปล่อยให้เป็นไปตามมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่มีคําว่าจืดจางว่างเปล่าไม่มีคําว่าสุขว่างงอมแล้วยุติกันสียชีไม่มีเรื่องการเกิดการตายไม่มีคําว่าสุขว่างงอมไม่มีคําว่าล่าวาสายมีเกิดมีตายอยู่ตามหลักธรรมชาติของเชื้อที่พาให้เป็นนั่นแหละถ้าไม่ถอนออกจะให้สิ้นซากไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละถึงจะรู้ในวงปัจจุบันของตัวเอง นี่เวลานี้ก็พ่อนนักปฏิบัติของเรากําลังเหลวๆไหลๆนี่เขาก็เขียนหนังสือมาเหมือนกับบัตรสนเทมาหาเราเนี่ยก็เรื่องภาพปฏิบัติเรานั่นแหละเราไม่ได้ตําหนิเขาที่เขาเขียนมาแต่สิ่งที่เขาควรจะปรึกษาบารรหรือควรจะที่จะบอกจะกล่าวในเรื่องเหล่านี้ก็ฟังแล้วก็อย่างว่านันนะพีนาเอามันเหลวๆไหลๆเป็นอย่างนั้นไป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 แล้วเป็นไปเป็นไปต่อไปก็จะไม่มีอะไรเหลือแล้วนะนะผู้ปฏิบัติกับทางจงกรมก็จะไม่มีต่อไปจะไม่มีทางจงกรมไม่มีสถานที่ทำงานสังหารกิเลส ข, ของพ้าปฏิบัติเนะี่ยมันจะมีแต่เรื่องสถานที่กิเลสสังหารธรรมสังหารตัวของผู้ปฏิบัติให้ล่มจมคลิปหายไปด้วยแบบไม่ไม่เอาไหนนะนะ่ะพูด ง, ง่ายๆนี่จะทำยังไงพวกเรา วเวลามาก็มามากมาอย่างนี้ค็เคยประกาศลั่งกันอยู่นี่มันเท่าไหร่แล้วตั้งห้าจีบกว่ามั น, ม, นมันไม่ใช่ข้องไม่ใช่อื่นพอที่จะมาบรรจุเป็นปลากระป๋องอยู่ในกระป๋องก็ควรขยับขยายามที่จใช้พูดอะไรมากมายนักหนาถ้า ม, มากแล้วมันเป็นยังไงมันเหลวเหลวหลายๆอย่างมันน่าดูไหล่ะดูสิเป็นยังไงการอบรมสั่งสอนก็ส อ, สอนเต็มพุง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 มีอย่างหนาแน่นทุวันทุวันแล้วสิ่งใดที่มันแสดงหูแสดงตามันเต็มอยู่เสมอเนี่ยเป็นอยู่เสมอมีอยู่เสมออันนี้ที่ทําให้วิตกวิจารเดี๋ยวก็เรื่องหมู่เพื่อนของไม่ละเอียดเลยของหยาบหยาบมันก็ได้พูดได้ว่ากันอยู่เพราะจิตไม่จดจอ่อจิตไม่จริงไม่จังฟังก็ฟังแบบผิวผิวเผืนเพืนสับแต่ว่าฟังเวลาปฏิบัติมันก็เป็นไปตามนิสัยที่ เลี่ยวหลายๆนั่นแหละให้เห็นความเรี่ยวหลายๆแสดงออกไปทําอะไรมันก็เห็นความเรี่ยวๆของการทําำดยดีปิดไม่อยู่ทําให้เห็นอยู่อย่างนั้นแหละอือย่างที่พูดเมื่อสองทวันนี่เราบอกให้ก็เอากระถนใบเล็กติดลดไปด้วยนาฟังเสียงครับซะด้วยนะออืแล้วเขาก็ออกไปนั่นกับคนดูกระถนไปเป็นใบใหญ่หนี่ฟังสิมันเป็นยังไง ปิดประตูรถให้ออกไปก็พอก้าวไปนี้ก็ต้องได้ปิดใหม่คนคนเก่านั่นแหละพระองค์เก่านเนี่ย แ, แล้ววันหลังปิดประตูให้อีกออกไปอีกก็ต้องได้ปิดใหม่อีกพระองค์เก่านั่นแหละนี่ทําให้ผมคิดมากแล้วนาะเวลานี้พระองค์เก่ามันถึงสามวาระแล้วเป็นยังไงควรจะอยู่วัดนี้เหรอมันจริงจังอะไรอย่างนั้นพูดเราพูดทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจงใจเกี่ยวกับเรื่องเป็นอาจารย์สอนหมู่กันนั่นเอง จึงพูดตรงไหนจับไว้ตรงนั้นตรงนั้นเพื่อเอาความจั์ความจริงกับหมู่กับเพื่อนว่าเป็นยังไงผู้มาศึกษาอบรมมาด้วยดเลื่อนๆลอยๆดังังที่เป็นอยู่ที่ประกาศอยู่เวลานี้หรือมาอย่างไงมันเห็นแล้วนี่มันรู้แล้วนี่เป็นยังไงมันไม่มีอะไรจริงจริจังๆเลยสักนิดเดียวมีแต่ความเหลวๆหลายๆมีสามวาราแล้วนี่แสดงว่าจิตนี่เลื่อนลอยออกมากทีเดียว หาที่เกาะที่นั่นไม่ได้คําพูดหลวงปู่บาอาจารย์ที่เรามาเพื่อการศึกษาอารมมันน่าจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นที่สะดุดใจแต่นี่ไม่นะถ้าสะดุดใจทําไมมันถึงจะจับผิดไปก็ถนเล็กกับกระทนใหญ่มันต่างกันยังไงอืมถ้ามันไม่มีก็บอกว่าไม่มีแต่นี่กระทนมันก็นมีเนี่ยจะหาข้อแก้ตัวก็หาแก้ไม่ได้นะปิดประตูรถมันเป็นยังไงมันถึงปิดไม่สนิทเนี่ยต้องปิดใหม่อีก เปิดอีกมันหลังเปิดปิดอีกไปไ ป, ปิดไปเปิดใหม่อีกแลไปปิดปิดม่อีกนี่มันเป็นยังไงนี่แสดงว่าความไม่สังเกตไม่พิจารณาไม่เจาะจงจิตกับสติไม่อยู่ด้วยกันเลยมันเร็วหลายอย่างนี้จะวางยังไง น, นี่ลายหนึ่งยกลาขึ้นมาลายหนึ่งแล้วเป็นยังไงในวัด น, นี้มีกี่องค์แล้วเป็นยังไงบ้างได้พากันคิดรืหรือหรือเปล่าล่ะ นี่มันเป็นเรื่องของกิเลสหรือเรื่องของธรรมเรื่องของสติของปัญญาหรือเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องเลวๆไหลายๆที่เคยเป็นมาแล้วนั้นมันน่าคิดอยู่มากนะอันนี้มันทําให้อดคิดไม่ได้แะ้วนี่ผู้แนะนําสังสอนหมู่เพื่อนเป็นผู้น้อยแล้วก็เคยเป็นไม่ใช่มาเป็นผู้ใหญ่เอาแค่ทีเดียวนี้เป็นผู้น้อยก็เคยเป็นครูบาอาจารย์พูดอะไรนี่มันเป็นยังไงเนี่ยจึงมาเทียบกันเวลานี้น่ะถ้าว่าเราไม่เคยเป็นผู้น้อยเราไม่เคยศึกษากับครูบาอาจารย์มาก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง นี่เราก็เคยศึกษามาท่านพูดในแง่ไหนอันไหนอันไหนมันควรจะเป็นคติตัวอย่างอะไรได้บ้างเหลือคำพูดที่พูดเหล่านี้มันไม่มีสาระอะไรเลยเหรือกับหมู่กับเพื่อนมันถึงไม่เป็นที่ให้สนใจพอที่จะยืดไปประพฤติ ป, ปฏิบัติให้เป็นสาระพูนแก่ตนบ้างมันเป็นอะไนี่ขุดเข้ามาด้วนเข้ามานะเวลานี้พระกรรมฐานหู้ทุเรศแล้วนะ ในวัดหนึ่งๆจะไม่มีทางยังกรมนะมีแต่การก่อการสร้างยุ่งไปหมดอันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาเรื่องการก่อการสร้างเนี่อมันไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมดูที่ตำรับตําลาสําหรับพระเราไปสร้างอะไรหาอะไรมันอยู่ที่ไหนมีตํารับตำลาบอกว่าอย่างชัดเจนมีใช่เรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ป่านั้นเขาลูกนี้มีแต่อย่างนั้นน่ะมันตาตากันอยู่นี่จีบังเนี่ยเอาอุตรีมาอุตลีมาพูดได้ยังไงก็มันตําตาอยู่นี่ยเห็นอยู่ ในตำหนับตำรารู้อยู่เนี่ยเอาสิ่งที่รู้ที่เห็นที่ได้เรียนมานี่มาพูดให้หมู่บ้านฟังโกหกไปตรงไหนเนี่ยตำหนับตำรามีอยู่การก่อการสร้างเอาเป็นคู่แข่งของาศาสนธรรมมีที่ตรงไหนไม่เห็นหมเพราะท่านแสดงไว้บ้างก็มีที่นําวิสาขาสร้างวิหารหรือสร้างศาลาใหญ่ที่ว่าใหญ่นั้นก็ใหญ่ขนาดไห น, นไม่รู้แล้วให้พระโมคคัลลาเป็นผู้บัญชางานเป็นผู้ดูแลในงานนั้น พิพมโอกัลาท่านก็เป็นพระหรหันนั่นฟังสินอกจากไม่เห็นมีที่ไหนเห็นแต่อยู่ในเขานั้นในป่านี้เดินโยกนงกรมนั่งสมาธินี่เป็นอย่างนั้นเ่ะอเห็นเอาอะไรมาแข่งตลาดเขามาแข่งโลกเขาสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งไปหมดเวลานี้พระเรามีแต่อย่างนั้นนะอยู่เฉยไม่ได้ต้องไปหาเกาในที่แม่ขันนะทํานั่นปกแปลกๆในวัดนี่อย่ามายุ่งนะถ้าไม่อยากอยู่ให้หนีไล่หนีเลยอย่าอามายุ่งอย่ามาเกี่ยวข้องอย่ามาเป็นข้าสืบกัน เราไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้วิเศษวิโสลายไม้มันวิเศษลายไม้ออิฐปูนหินทรามันวิเศษวิโสลายมันเกิดอยู่แผ่นดินอยู่นี่มันวิเศษวิโสอะไรทำตั้งหากท่นวิเศษผู้ที่เจ้าตรัสรู้ทำไม่ได้ตรัสรู้หินทรายปูนว่าเป็นของวิเศษไม่ได้ยกขึ้นว่าหินปูนทรายฉานนางกระฉามีนี่นะแล้วทําไมเรามันถึงได้นับถือนักหนามันถึงสนใจนักหนามันดิ้นบ้าเอานักหนานี่ไอนที่ไหนมีจะยุ่งไปหมดกวนบ้ากวนบ้านกวนเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวาย มองเห็นหน้าญาติหน้ายโยมไม่ได้ควายจะจะเอาห้าเอาสิบกับเขากวนบ้านกวนเมืองมันเป็นยังไงอย่างนั้นนี่นะถ้ามันถ้ามันดิ้นแล้วมันเป็นยังงั้นนะหาความสงบสิทํายังไงกิตตัวไหนมันดิ้นอยู่เนี่ยถ้าไม่ใช่กิดจะอัไหนคนตายแล้วมันดิ้นที่ไหนจิตตัวนี้แหละตัวมันดิ้นอย่างนีน้ดูตัวมันดิ้นนั่นสิมันจะดิน้นที่ไหน ตั้งหน้าตั้งตาดูมันตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาฆ่ามันในตลอเวลามันจะไปไหนกิเลสกิเลสเป็นของที่ฆ่าได้ทำลายได้ไม่งั้นพรุทธเจ้าไม่สอนให้ทำลายกิเลสให้ฆ่ากิเลสนี่มันไม่สนใจเพราะเป็นแค่ลำคาลําคาลมันแก้ลำคาญ แ, แล้วมันเพิ่มลำคาญอันเนี้ยอยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างทำนั่นทำนี่ปุ๊กปุ๊บปี๊กป๊กอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยเป็นบ้าไปหมดเนี่ยจะทำยังไงเราพูดจริงๆ เราไม่เห็นสาลอะไรกับสิ่งเหล่านี้เลยขอให้จิตมันสง่าผ่าเผยอยู่ในหัวใจเจ้าของเถอดถ้าพูดถึงสมาธิก็สงบแน่วเอาถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิขั้นใดกัไดสไ้ส่งไว้ส่งไว้จะเป็นยังไงมันต่างกันไหมกับอิดปูลหินทรายนี่น่ะสมาธิความสงบใจมันต่างกันไหมกับอิดปูนกับหินกับทรายเหล่านี้อืปัญญาเป็นยังไงต่างกันไหมกับสิ่งเหล่านี้ จะตลอดถึงบิดมุหลุดพ้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างแท้จริงเนี่ยมันต่างกันไหนครับสิ่งเหล่านี้พระพทุทธเจ้าเลือด้วยอันใดสาวกเลิอด้วยอันใดทำที่ว่าที่ว่าทํำทำมันอิดพูนหินไยหรือทำกราบอันนี้หรือให้สั่งให้โลกกราบนี่หรือทํบางสถานกระชับนี่คือหินคือไซให้กราบตรงนี้เหรือมันทํามาถึงดินบนนั่งหนาพระเราเนี่ยแล้นับวันปลายนาเวลาเนี่ยข้าอยู่ที่ไหนย่อมตั้งแต่หลังการก่อการสร้าง ไม่ได้สนใจกับเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาที่จะฆ่ากิเลสตัวมันคึกมันขนองตัวมันดิ้นโดนเป็นหมาขี่เรืออยู่ภายในหัวใจนั้นบ้างเลยแล้วจะทํำยังไงนี่มันจะหมดในนัศาสนาอืมมีแต่ในกำพีมีแต่ในตู้ในหีบเฉยในหัวใจของพระของเนนผู้ปฏิบัติเรามันไม่มีนะเวลาเนี่ยมันมีแต่วความดิ้นบ้าเนี่ยพิจารณาสิเรื่องนี้ได้ฟังกันแล้วยังน่ะที่พูดเอันนี้หรือพูดเล่นหรือหนิ มันมีเศษวิโสอะไรอย่างนี้ความสนใจอยู่ในจุดใดเวลาเนี่ยอยู่ในปูนในอิฐในหินในทรายในไม้ในตอกอะไรจะไปอย่างนั้นเหรอไม่ได้อยู่ในอดในธรรมเหรอมไม่อยู่กับศีลไม่อยู่กับสมาธิไม่อยู่กับปัญญาไม่อยู่กับการฆ่ากิเลสตัวมันเป็นภัยนั่นเหรอมันเป็นยังไงมันต้องเดินดิ้นหรือนั่หนาโอ้โฉรถัองเวานานนี่นะนี่ว่าไงว่ายังไงก็แบบเก่าแบบเก่าถ้ามันไม่เป็นท่าแล้วให้ไปกันกจะให้หมดเราอยู่คนเดียวเราอยู่ได้นะทำไมจะอยู่ไม่ได้ เอาลองดูสิหมูเพื่อนไปผมจะอยู่ได้ไหมถ้าพูดแล้วมันไม่ฟังเสียงกันอย่างเนี้ยอยู่ทาําไมพูดกันทาําไมทำมันหมดลมปากไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่คนเดียวไม่ได้พูดมันแสนสบายนะเราจะหวังออะไรเอ้าลองดูสิหมูเพื่อนไปแล้วเราจะเป็นยังไงเราจะมีที่พึ่งไหมอืเราจะอยู่ได้ไหมนี่นาสิอยู่ด้วยกันมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยมีแต่เรื่องยุ่งเรื่องย่งเร่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาไม่มองดูหัวใจเจ้าของบ้างเลย สอนนและเร็ไม่สนใจนี่แล้วออกจากนี้ก็แสดงรวุนแรงขนาดเนี้ยออพอไปจะไปเริ่มสร้างไปอยู่ที่ไหนแล้วเอาแล้วนะขึ้นหอประสาราชทมเทียนไปแล้วเนะ่ยแข่งบ้านแข่งเมืองเขานั่นเป็นนักแข่งไปแล้วนะแล้วควรบ้านควรเมืองไปในกาลเดียวกันด้วยแหมมันนาทุเรศนะไม่เห็ น, เนะเนคุณค่าของธรรมที่ท่านสอนไว้เพื่อความเลื่อนโลกเลิเล่ในหัวใจนี้บ้างเลยจะทําไงเอาดูนี่เพียงสมาธิเฉยก็พอ พออยู่พอกินพอเป็นพอไปสงบสบายไม่ดิน้นไม่หล่นเลยเคยเป็นมาแล้วนี่น่ะไม่ใช่พูดเฉยๆนี่แล้วไม่ได้อวดใครนี่เป็นมาแล้วนี่เอเ้าวจะให้มันสมาธิสักกี่ชั่วโมงก็ได้นี่แนวอยู่อันนั้นไม่ต้องไ ม, ไม่มีอากัปกิริยาของจิตที่จะคิดปปรุงไปในเรื่องอะไรเลยนั่นฟังสีนั่นแหละสมาธิที่แนบแน่นที่สุดมิตรเหลือแต่ความรู้ที่ดิ่งอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรอาการใดที่ยิยบแย้มาแม้แสงยิ้งยำแบบแสงหิ้งห้อยก็ไม่มี นั่นแหะเป็นเยว่าสมาธิที่แนบเนียนที่สุดจากนั้นมาก็เอาให้ลงให้เต็มที่ร่างกายให้หาเนี่ยไปหมดเลยนั่นฟังสิไม่ได้มาอวดนั่นนีเป็นแล้วนะผมอวดหมู่เพื่อนยังไงผมสอนหมู่เพื่อนเพื่ออัดเพื่อทำแท้ๆทุ่มมัหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหมู่เพื่อนอวดหาอะไรนี่ก็พูดแล้วเป็นยังไงเพียงเข้าวนี้ก็พออยู่พอกินแล้วเพราะนั้นถึงได้ติดอืมติดสมาธิไม่อยอมออกมันแสนสบายอยู่นั้นไม่ยุ่งอะไรเลยสุดท้าก็ดึงเขาว่าทำไม ความรู้ที่ดิ่งอยู่อันเดียวเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวพนเลยหรือความรู้เดียวเท่านี้นี่แหละคือจะเป็นนิพพานอันนี้เองอันนี้เองเนี่ยมันก็ยิ่งติดแน่นกันไปถึงพ่อแม่ครูอาจารย์สับเทก็ไล่ขนาบออกจากนั้นมันถึงได้ออกแล้วไม่ได้ลืมสิ่งวนี้เพราะอันนี้มันดีมันไม่ได้ดีเมื่อมีทำขั้นสูงกว่านี้เข้ามาเปรียบเทียบหรือมาเป็นคู่แข่งกันแล้วมันยิงได้ออกไปก็ออกไปเพรอเก้าถึงถึงขั้นปัญญาแล้วอาละนะที่นี่นะฮอมันก็ย้อนมันไม่พอดีอย่างว่า โอ้สมาธินี่นอนตายเฉยไม่อย่างนี้เรื่องไม่ลาอะไรปัญญาต่างหากเนี่ยทาให้เกิดความฉเฉลียวฉลาดรอบตัวกิเลส ก, กับกิจก็เบาลงเบาลงเบาลงแสงสว่างก้าวจากแจ้งที่เกิดขึ้นจากทางด้านปัญญานี้มันผิดกับทางด้านสมาธิเป็นในไหนนั่นที่นี่มันต่างไหมพิจารณาสิมันต่างกับกกบิดกปูนกับเห็นกับทรายนี้่ไหมพิจารณาสิอันนี้ใครๆเขาก็ทําได้โลกเขาก็ทําได้มันวิเศษลิสโวอะไรเขามากราพวก พระเนนเหล่านี้เขาไม่ไมากราบเพราะพระเนนมีปูนมีมีปูน ม, ม, มีอิฐมีทรายมัดติดคออยู่แบกอยู่บนบ่านะ่ะเขาม า, มากราบด้วยความเป็นผู้แบบเขร่งคัดในศีลในสมาธิในปัญญาในยิมุตหลุดพ้นในธรรมทั้งหลายต่างหากนี้นะเขาไม่ได้มากราบเพื่ออิฐปูนหินทรายที่มัดติดคอพระอยู่แล้วแล้วไอ้ทับหัวผ้าอยู่นี่นะแล้วมาสนใจอะไรนั่งหนาิ่งอย่างนี้ มันวิเศษวิโสอะไรเนี่ยพูดนัตยังเต็มที่เล่นานั้นนี่นะวันนี้พ อ, อพูดมามากต่อมากแล้วได้พิจนาหมดแล้วมันนี่นะเอามาเทียบกันเพียงสมาธิมันก็เป็นคนละโลกแล้วอิดปูนหินซ่านี่เทียบกับความสงบผลสมาธิแห่งการบำเพ็ญของตัวเองเพียงเท่านั้นมันก็รู้แล้วว่ามันเด่นกว่กากันมากขนาดไหนเลื่อกว่ากันขนาดไหนเอ๊ยยงนึกออกจากนั้นก็ ข, ข, ข, ข้าถึงขั้นปัญญาปัญญาเป็นขั้นที่ฆ่ากิเลสที่นี่เอา้าวกิเลสมันมีอยู่ช้นิดไหนมีอยู่ภายในจิตใจเท่าไหร่ พังลงไปพังลงไปด้วยอํานาจของปัญญายิ่งดิ้นยิ่งดิดทางด้านปัญญาขึ้นยังขนาดถึงว่าไม่รู้จักเวลาหมิลานเลยเลยเถิดธนัอุทจจะนี่ก็เป็นเป็นมาแล้วนี่นะมันเพลินขนาดนั้นดีฟังสี่เป็นตาไมนได้สนใจอะไรเวลาถึงขั้นมันเพลินไม่มีรถมีชาติ้เพลินเพลินได้ยังไงเอาจนไม่ทั่งถึงฟ้านม้วนเสื่อลงหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นยังไงที่นี่นะต่างกันไหมกับสามแดนโลกธาตุนี่ยเอามาเปลี่ยนกันได้ไหม กิดดวงนั้นก็นเอาสามเดือนลก็ธาตุนี้มอบถวายหมดทั้งสามเดนลก็ธาตุเนี่ยให้เป็นสมบัติของบุคคลผู้เดียวกาบกิดดวงที่บริสุทธิ์นั่นจเอันไหนพินาสิถ้ามันไม่เห็นทั้งนันจีถึงธรรมะุปเจ้าเป็นธรรมะที่สอนอย่างแท้จริงให้เห็นอย่างแท้จริงของวิเศษวิเศษจริงๆนี่นะไม่ใช่มาพูดมาเสกมาสันปั้นย่อเฉยเป็นอยู่ในหัวใจจริงใครเป็นก็เป็นเถอะถ้าลงได้เป็นแล้วไม่กาบบู้ทีเจ้าไม่มีม่นี่านไปกี่ปีกี่เดือนนั้นสําคัญอะไรกับลรื่งเรื่องนิพพาน ธาสีดีน้ำลงไฟเป็นเดินล่างของพุทธะ ต, ต่างหากสลายไปได้ทุกการสถานที่ทุกเวลาทุกสัตว์ทุกบุคคลนั่นแหละสิ่งเหล่านีน้แต่ธรรมชาตินั้นเป็นยังไงใครเหมือนไหมนี่สิเอาลงไปสิเราจะมาหาบิเศษบิสโวอะไรครับสิ่งเหล่านีน้พูดแล้วพูดเล่าสอนแล้วสอนเล่าไม่ได้ฟังเสียงกันเลยทํางไงแล้วทางจงกรมเลยไปที่ไหนวัดไหนมันจะไม่มีธาุ้เด่นนี้หน่ะมิจฉาภาคหากินน่ะสิเขาว่าเขานับถือยิ่งเขาว่าสายหลวงผู่มัน่น แค่งคาดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบออยิ่งเผอเป็นบ้านะนี่เออแล้วไปก็ไปกวนบ้านกวนเมืองทุกสิ่งทุกอย่างลืมเนื้อลืมตัวไปหมดว่าเราเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นจะเหาะจะบินไม่นัทั้งๆที่ไม่มีปีกนั่นมันเป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้นะโหนะทุเล็ดจริงๆนี่นะนี่หลาเรื่องของกิเลสมันอยู่ในหัวใจคนมันทําให้เป็นอย่างนี้นะถ้าทําแล้วไม่ตื่นไม่ลืมตัว เขาข้ติก็าตามเขาชมก็าตามจะนํามาเป็นคติทุกอย่างมาพิพจารณาทุกอย่างความติดความชมเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองอย่างนั่นกิตเป็นธรรมไม่ลืมตัวแต่นี้ไม่เป็นงั้นที่พอเขายกยอบ้างแล้วเป็นบ้ากันเลยนี่เขากำลังยกยอ่องเห็นไหมภาคกลางอุตษาพยายามมานี่ตะกี้นี้ก็ไป เ, เร็วๆนี่ตอนเย็นนี่อุตษาพยายามมาวัดนั่นวัดนี้ทางภาคอีสานเนี่ยภาคอีสานมันเป็นบ้าเลยจมูกมันยิ่งกว่าโย โรงศีลด้วยนะนี่มันเพรอเขายกยอข้างนั้นนะมันเป็นบ้าลืมเนื้อลืมตัวหมดแล้วเหลือภาคกีสานท่านอาจารย์มัน่นทํานไมได้ลืมตัวนี่นะะลกศีรษะท่านอาจารย์มัน่นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นบ้ากันมหมดเลยว่าไงท่านไม่สอนให้เป็นบ้านะท่านอาจารย์มัน่นนี่แล้วก็อยู่กับท่านมาเต็มเต็มที่กาลังความสามารถที่ได้ศึกษาท่านไม่เห็นมีจุดใดแง่ได้แม้ น, แมนนิดหนึ่งที่จะสอนให้ภาพเป็นบ้านะเห็นนี้มาเป็นบ้าต่งหากท่านองตนว่าเป็นลูกศิรษะหลวงปู่มัน่นโลกศีรษะท่านอาจารย์มั่ โอยเป็นบ้ายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วนะเวลาเนี้ยภาคอีสานเนี่ยหรอจะว่าไงเราสงสารพวกญาติพวกโยมที่าม า, า, มาด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเห็นว่าชุ่มบ่เย็นก็มาไม่ว่าใครล่ะไม่ว่าเขาว่าเราเห็นว่าชุ่มบ่เย็นที่ไหนว่าดีที่ไหนก็อยากไปอยากกราบว่าอยากบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยากทําบุญให้ทานมีอะไรไม่เสียดายเพราะท่านเหล่า น, นี้เป็นผู้เป็นลูกศริษฐากตพุทธบริษัทเจะได้อะไรอยากได้แต่บุญเท่านั้นล่ะ นิยายเขาเสียน้ําใจสิยายเขาเสียอกเสียใจสิให้เขามาให้เดกเขาได้ตักตร ง, หต ง, งไหนก็ให้มีแต่น้ําสะอาดสิลงบึงใดบ่อใดวัดใดพระเนรองใดให้มีงแต่น้ําสะอาดๆให้อาบดื่มใช้สอยเต็มหัวใจกลับไปบ้านลื่นลึงมันเถีงนั้นมนนั่นบ้งสินี่ไปที่ตรงไหนไห น, น, นมีตมมแต่ขี้หมูราขี้หมาแห้งเต็มไปหมดทั้งบึงทั้งบ่อทั้งที่ตรงไห น, นไม่ว่าพระวเนรองไหนมัน ม, Muhammad, ม, นมีงแต่บึงแต่บ่อที่เต็มไปด้วยขี้หมูราขี้หมาแห้งมันเป็นยังไงพี่นาสิ ไม่อายโลกเขาบ้างเรือเราเป็นบ้าลูกศิษย์หลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลงปูมงป่มัน่นนี่อ้ายนะนี่นะโอ้หน้ะทุเล็นะเราอดคิดไม่ได้นะเรื่องเหล่านี้นะลืมตัวเรื่องหอนะลว ง, ลงปู่มั่นยก่ายผู้ปฏิบัติท่านปฏิบัติดีนั้นโยค่ายแล้วผู้ที่เป็นแบบดินเหนียวติดหัวเราะว่าตัวมีงอนนั่นสิเดินเวลานี้มันมา ก, กนะมันลืมเนื้อลืมตัว เราจึงไม่ได้ยกยอไปหมดนะอสิ่งที่หน้าตีมันเห็นอยู่นี่มันได้ยินอยู่นี่จะไม่ตีได้ไงหูมีตามีที่เคยใช้มาตั้งแต่วันไหนมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มันพรอมที่ไหนหูนี่ได้ยินว่าเป็นยังไงภาษาเดียวกันมันทำไมจะไม่รู้เรื่องกันตาเห็นอยู่นี่ทําไมมันจะไม่รู้ผิดรู้ถูกมันหน้าตีก็ต้องตีมันหน้าชมก็ต้องชมสิเดี๋ยวนี้กรรมฐานทั้งเราต้องภาคอีสานนี่มันจะขายขี้หน้าโอแม่ครูบ้าจานนานๆเนี่ยเอากูบ้าจารย์ไปขายกี่นะ ทุเลตจะตายเป็นทางหน้าทางตาปฏิบัติพีกิเลสมันเป็นคุณตอบใครเมื่ อ, อไหร่ก็พระพุทธเจ้าองค์ใดเขาตรัสมางานพุทธเจ้าอปัจจุบันนี้ท่านสอนที่ตรงไหนว่ากิเลสมีคุณต่อเรานะ่ะมันเยียบย่าทำลายหมดยที่พูดนเวลานี้ก็คือพูดเรื่องกิเลสนั่นเองมันลืมเนื้อลืมตัวเป็นไรพัฒนาจากกิเลสถ้าเป็นธรรมนั้นไม่ลืมรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาใครเขารบนับถือก็ พอยินดีไปกับเขาแต่เราไม่ลืมตัวของเรานะ่นมันถึงเป็นอาจเป็นธรรมผู้ปฏิบัติทางจําดีนะอน้ําเบื่อแล้วนะเวลานี้เอืมอมลาแล้วนะกระหมูกับเพื่อนสอนมาเท่าไหร่เกือบสี่สิบปีนะตั้งแต่พ่อแม่กูยานมั่นมรณภาพไปก็พิบตั้งแต่บัดนั้นเลยนะจนกระทั่งบัดนี้ก็จําเป็นก็ต้องได้แนะนําสั่งสอนอยู่ยนี่จะว่าไงแล้วผลที่ได้สั่งสอนมานั้นเป็นยังไงบ้าง เห็นแต่วความเลี้ยวๆไหลๆเห็นได้ผลลบเลี้ยวๆไหลายๆไปตลอดเวลาจะให้ไม่ให้พูดได้ยังไงอย่งดีนี่อยู่กับหมู่กับเพื่อนเนี่ยยังพูดกันอยู่อย่างนี้อันนี้ไปไหนมันก็หนีไปได้เนี่ยคนไม่ตายทําไมไปไม่ได้วะเมื่อมันสูตวิสัยแล้วจะจะก็จะสอนกันอะไร้นั่งหนาอืมเอาละพอหนื่อยมาพูดกันยังไงได